แต่อย่างน้อยที่สุดคุณเองก็เคยสำรวจเรียบเคียงออกไปไกลเกินหล่มช้างบ้างแล้วไม่ใช่หรือแม้จะไม่เข้าลึกเท่าแง่ทรายมันน่าจะมีหลักฐานให้พอสรุปได้บ้างว่าสิ่งที่แง่ทรายเล่ามานั้นพอจะมีมูลความจริงอยู่บ้างไหมเป็นต้นว่าต้นพริกินูที่ใหญ่โตมโหฬารขนาดส0มสิคนอกประคาบตัวเ่าฝากระดานเรือนอะไรนั่นชัยยันซับพร้อมกับรอยยิ้มขันขันพรานใหญ่ใสศีษะแช่มช้า ผมเคยเรียนนะว่าผมล้าเข้าไปเพียงขอบขอบดงเท่านั้นรลศสมีเพียงไม่เกินสองกิโลเมตรเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าสิ่งที่แง่ทายพบนั้นจะเป็นความจริงหรือเปล่าแต่เท่าที่เคยเห็นนั้นก็อย่างที่เคยเรียนให้ทราบ ม, มาก่อนแล้วคือรอยเท้าช้างรอยหนึ่งผมไม่เคยพบมาก่อนเลยในชีวิตเดินป่ามีเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบสองฟุตครึ่งสามารถลงไปนั่งขัดสมาธิได้อย่างสบาย รอยมันขนาดนั้นตัวมันจะสักขนาดไหนก็เหลือที่จะเดาถูกมันควรจะเป็นสัตว์ประเภทดึกดำบรรพ์มากกว่าที่จะเป็นช้างธรรมดาที่เราพบเห็นกันอยู่ทุกวันบังเอิญผมไม่ใช่นักสำรวจหรือนักค้นคว้าเพื่อแสวงหาชื่อเสียงอะไรผมเป็นแต่เพียงพรานอาชีพที่ดักจับสัตว์ขายตามไปสั่งของบริษัทผู้รับซื้อประการเดียวเท่านั้นผมถึงไม่ได้สนใจติดตามความจริงในเรื่องนี้ ไม่เคยส่งข่าวหรือรายงานไปให้สถาบันคน้นคว้าเกี่ยวกับสัตว์ศาสตร์หรือสมาคมนิยมไัยทราบเพราะถ้ากระตกกระตากไปก็เท่ากับหาเรื่องยุ่งมาใส่ตัวด้ยใช่เหตุผู้นั้นจะต้องขอความร่วมมือจากผมในการให้นำออกสำรวจแล้วก็พูดหวานร้อมหรือกาเกลนให้ผมทำงานประเภทกาชาตไปแทนที่จะจ่ายเงินให้แกบผมซึ่งมันขัดกับอาชีพประจาวันอยู่แล้ว คุณทำหลักฐานที่ค้นพบรอยเท้าช้างอันใหญ่โตผิดปกติธรรมดาตัวนั้นไว้หรือเปล่าเป็นต้นว่าถ่ายรูปไว้เชิดถาซักมาเยโดๆอย่างสนใจรถผินสันรศรีสะหัวร้อนอยู่เช่นเดิมผมเรียนแล้วครับว่าผมเป็นผ่านอาชีพบุกป่าโดงอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญผมไม่ใช่นักสารวจหรือว่าคนต้องการชื่อเสียงอะไรทั้งสิ้น ปืนและสเสบียงอาหารในขณะเดินป่าจําเป็นสําหรับผมยิ่งกว่ากล้องถ่ายรูปมากนะักก่อนที่คุณชายจะมาติดต่อว่าจ้างผมให้นำทางครั้งนี้มีพวกนักสํารวจจากสถาบันต่างๆมากมายพยายามมาติดต่อกับผมเพื่อขอให้เป็นพรานนําทางเข้าไปในดงดําที่ว่านี่บางผู้ต้องการสํารวจพวกสมุนไพรบางผู้ต้องการสํารวจภูมิประเทศสัตว์ป่าและชนชาวเขาเผ่าต่างๆบางผู้ก็ต้องการแสวงหาทรัพยากรในป่า ส่วนมากเป็นชาวต่างประเทศแต่ละคนไม่สามารถจดตกลงกับผมในเรื่องราคาว่าจ้างได้จึงเป็นอันร้มเหลวไฟผมก็ไม่ได้โกงราคาอะไรมากมายนักเพียงแต่ขอเรียกให้คุ้มค่าเหนื่อยและค่าเสียผลประโยชน์รายได้ที่ผมมีอยู่แล้วในปัจจุบันนี้เท่านั้นเมื่อพลาดจากผมพวกนั้นก็ติดต่อไปทางพรานพื้นเมืองต่างๆและจ้างได้ในราคาถูกสี่คณะมาแล้วที่สารวจดึกจากกลุ่มช้างเข้าไป สคณะสูญหายไปเลยโดยไม่มีร่องรอยว่าจะกลับคืนมาอีกสองคณะเดินลึกเข้าไปได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็ต้องกลับมาพระทนความกระดานไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยสะบักสะบอมไปตามๆกันผู้ที่สูญหายไปก็ไม่เห็นมีใครกล้าที่จะออกติดตามมีพวกเพื่อนฝูงญาติมิตรติดตามมาชะงักอยู่แถวหล่มช้างเท่านั้นแล้วก็พากันถอยกลับไปอย่างผิดหวัง นายจ้างผู้สูงศักดิ์ของเขาทั้งสองหันมามองดูตากันเองอีกครั้งอืมคุณเพิ่งจะมาเปิดเผยเอากระพร้าเดี๋ยวนี้เองแหละนะว่าเคยมีพวกนักสำรวจพยายามจะบุกเข้าไปในดงดําที่ว่านี่แล้วพากันล้มตายเสียนักต่อ น, นักจนน่าจะขนานนามมันได้ทีเดียวว่าดงมหาการก็แล้วตัวคุณเองเ่ะในฐานะที่เป็นเจ้าป่าอยู่ในถิ่นนี้ทั้งหมดคุณไม่เคยมีความคิดมาก่อนเลยด้วยว่า จะต้องสำรวจมันให้ปลูกโปร่งออกไปเพื่อประโยชน์ในอาชีพของคุณเองผมคิดอยู่เสมอครับว่าสักวันหนึ่งผมจะต้องบุกเบิกมันออกไปให้ได้แต่ที่แล้วมานั้นมันยังไม่มีความจาเป็นอย่างใดสัตว์ป่าในละแวกไม่เกินลมช้างก็มากมายกาย ก, ายกองพอที่ผมจะสแสวงหาได้ไม่ยากเย็นอะไรเลยงานก็รัดตัวผมอยู่ตลอดเวลายังไม่มีโอกาสที่จะไปใช้เวลาให้สูงเปล่าเช่นนั้นได้ อีกประการหนึ่งมันเป็นถิ่นที่ไกลเกินกว่าลัศมีทํางานของผมโดยปกติสมมุติว่าผมไปตั้งสถานีดักสัตว์อยู่ในบริเวณนั้นผมก็คงไม่มีปัญญาจะรำเรียงมาส่งให้แก่บริษัทผู้รับซื้อได้อย่างไรเพราะหนทางมันห่างไกลกันดานเกินไปถ้าสัตว์ในละแวกนี้มันร่อยหลอหมดสิ้นไปและสถานีรับซื้อสัตว์ป่าของบริษัทคุณอัมพลขยายลึกตามเข้ามาด้วยผมก็คงจะต้องบุกเบิกไปถึงที่นั่นกินแดนลึกเข้าไปเป็นลําดับ แล้วพรานใหญ่ก็หัวเราะออกมาเบาๆขึ้นชื่อว่าพวกนักสํารวจป่าส่วนมากเท่าที่ผมเห็นมาเป็นพวกร่ารวยรักมีการผจญภัยบ้างเล็กๆน้อยๆโดยถือเป็นกําไรของชีวิตแลววะวัตถุประสงค์อันยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่อยู่ที่การมุ่งที่จะสํารวจจริงๆหรอกครับแต่มุ่งในการทําตัวให้เด่นหาชื่อเสียงมากกว่าป่าไหนที่มันรีรับกันดานจริงๆอย่างเก่งก็แค่เรียบเคียงเฉียดเข้าไป ด, ำดำั่มดมมอ ง, มองๆเท่านั้น อย่าไปเชื่อว่าจะกล้าบุกเข้าไปสำรวจจริงๆอะไรอดข้าวอดน้ําก็สองสมวันก็ถอยกลับแล้วแล้วก็นั่งเขียนรายงานยกเมฆเอาใครจะไปรู้เห็นด้วยนอกจากจะเชื่อเพราะให้เกียรติกันเท่านั้นมันยังมีดงลึกลับกันดานอีกมากมายนักในโรคนี้ที่มนุษย์ผู้เจริญแล้วย่างเหยียบไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่มันฟังดูเหมือนเรื่องนิยายเราก็ไม่อาจบอกถูกเหมือนกันว่ามันเป็นนิยายหรือของจริง โดงดัที่เราจะบุกเข้าไปภายหลังจากออกจากลมช้างซึ่งนักสำรวจหลายคนเอาชีวิตไปทิ้งนี่แหละครับเป็นแต่เพียงประตูชั้นนอกด่านแรกที่สุดของทิศทางที่จะมุ่งไปเทือกเขาพระสิวะเท่านั้นพวกที่สูญหายเป็นนั้นผมเชื่อว่าคงเนื่องมาจากหลงอดอาหารแล้วก็ถูกไข้ป่าเล่นงานเอาถึงตายเพราะความไม่ชนานาญของผู้นาทางเสียมากกว่า เพราะขึ้นชื่อว่าป่าแล้วเราอยากคิดว่ามันจะมีอาหารให้เราหาได้ง่ายๆเสมอไปบางทีเดินติดต่อกันตลอดทั้งอาทิตย์หาแหล่งน้ำหรือสัตว์มาให้เห็นสักตัวไม่ได้เลยซึ่งในภาวะเช่นนี้ลองคิดดูเถิดครับว่าถ้าสเบียงของเราไม่พอเราก็จะอยู่กันได้อย่างไรผมติดใจเรื่องสัตว์พิรุกตกือที่แงาสายเล่าว่ามันจะเป็นความจริงไปได้อย่างไรชายยันขยับตัวอย่างอึอดอัด ก็ อ, อย่างที่คุณชายเชษฐาพูดเมื่อตะกี้นี้ยังไงนะครับความพิรุกึกรือมันเริ่มต้นมาตั้งแต่คําว่าขุมเพชรพระอุมาและลายแทงของมังมหานรธาที่เขียนไว้ตั้งสี่รอยกว่าปีนั่นเป็นสิ่งเริ่มต้นมาแล้วทีเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะได้ยินได้ฟังมันล้วนขึ้นต้นด้วยคําว่าจะเชื่อหรือไม่ว่าทั้งนั้นและเกี่ยวโยงสัมพันธ์การเป็นสายโซ่ทีเดียวถ้าสิ่งแรกมันจริงเสียอย่างเดียว สิ่งที่ตามมาทั้งหมดมันก็น่าจะเป็นไปได้ทั้งนั้นสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้รอการพิสูจน์ของเราอยู่ในอนาคตอันใกล้นี้สิ่งที่แง่ทรายเล่าให้ฟังนั้นถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องต่างๆที่ผมเคยได้รับฟังมาตลอดชีวิตที่อยู่ในป่ายังเป็นเรื่องเล็กน้อยธรรมดาหรือเกินตะขาบตัวเท่าฝากระดานเรือนของแง่ทรา ย, ายผมว่ายังเล็กไปถ้าเปรียบเทียบกับที่ผมเคยได้ยินนานไพรเล่าตะขาบของหนานไพร ตัวเท่าสูงขนาดใหญ่เวลาเลื้อยมาทีเสียงไม้ไร่หักกราวกับพายุเถาวันกินคนแลดเผือกต้นสักสีดำจงอางไฟชนิดที่เลื้อยไปทางไหนต้นไม้ใบหญ้าไม่เกรียมราวกับถูกไฟเผากิ้งก่าตัวเท่าจระเข้อ้อยสารพัดนะครับนิยายป่าของเอสไรเดอร์แฮกการ์ดก็ยังสู้ไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่แกไม่เคยรู้จักแฮกการ์ดมาก่อน ระหว่างนัดเขียนเรื่องประชิภัยในป่าชื่อก้องโลกคนนั้นกับพรานเท่าพื้นเมืองที่เกิดมาไม่เคยเห็นแสงไฟฟ้าทําไมถึงนัด ก, กันมาโกหกได้เหมือนเหมือนกันอย่างงั้นก็ไม่ทราบแต่ตามประสบการณ์ของผมนั้นพอที่จะเห็นเป็นหลักได้ว่าป่ายิ่งใหญ่ขึ้นไปเท่าไหร่สัตว์มันก็ยิ่งใหญ่ตามขึ้นไปเท่านั้นป่ามันรีรับพิสดารเท่าไหร่สัตว์มันก็ยิ่งรีรับพิสดารไม่เคยมีคนพบเห็นมากเท่านั้น โรคนี้ยังไม่ปลุกปลงสําหรับมนุษย์ตัวเล็กๆหรอกครับแม้ว่ามนุษย์จะคิดเอาเองว่าเขาได้มองเห็นมันอย่างทะลุปลูกปลงแล้วและกําแหงหานจนถึงก้าวออกไปหมายสํารวจโรคอื่นๆนอกเหนือจากโรคที่เขาได้อาศัยอยู่เรื่องราวพิสดารมหาสา ร, รย์ไม่น่าเชื่อในป่านี้ความจริงผมมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังสามคืนก็ไม่จบแต่มันเป็นเรื่องที่ผมได้รับการเล่าต่อๆมาเท่านั้นไม่ได้เห็นด้วยตนเองจึงไม่อยากจะนํามาเล่าให้ฟัง ดูเป็นเรื่องเหลวไหลชา ย, ยันลุกขึ้นเดินเวียนช้าๆไปรอบโต๊ะสนามที่นั่งสนทนากันอยู่เอามือรูปคางไม่ได้กล่าวเช่นในอีกเชิดฐาเคาะนิ้วลงกับขอบโต๊ะเบาๆก็ไม่น่าจะมีอะไรที่เราจะต้องมานั่งวิจารณ์กันตราบใดก็ตามที่พวกเราทุกคนพร้อมแล้วที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับมันทุกสิ่งทุกอย่างที่สุดหัวหน้าคณะเดินทางก็กล่าวขึ้นเฮาเาหนักแน่นมั่นคงในน้ำเสียงอันเป็นบุคลิกของเขา ว่าแต่นี่แน่แผนที่ของมังมหานลธาที่คุณจะใช้ในการนำทางเริ่มต้นจากจุดไหนในแผนที่ไม่ได้ระบุถึงหมู่บ้านหล่มช้างครับเพราะในสมัยเมื่อสี่ร้อยปีก่อนมันคงยังไม่ได้เป็นหมู่บ้านนอกจากป่าลึกแผนที่เริ่มต้นที่ภูเขาลูกหนึ่งในนั้นเรียกว่าเขาหัวแรงจากการเคยสำรวจตรวจสอบของผมโดยสอบเอาจากหลักฐานสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่ระบุไว้ในแผนที่ เขาหัวแร้งก็คือเขาลูกหนึ่งที่พวกกะเรียงหมู่บ้านดมช้างเรียกกันว่าเขาเจ้าในขณะ น, นี้มันอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของดมช้างเอาไว้ให้ถึงดมช้างเสียก่อนผมจะได้เอาแผนที่ออกมาอธิบายประกอบให้เห็นชัดอีกทีหนึ่งแน่ใจหรือว่าไม่ผิดที่แน่ใจครับในแผนที่ระบุถึงตรงนี้ด้วยหรือเปล่าระบุชัดเลยครับนี่เป็นสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมสันนิษฐานได้ว่า เขาหัวแรงที่บอกไว้ในแผนที่ก็คือเขาเจ้านั่นเองในนั้นเรียกดงนี้ไว้ว่านารกดาปากทางเข้าอยู่ในระหว่างหุบเขาใหญ่สองลูกผ่านป่าแดงไปประมาณสองวันจึงจะเข้าเขตดงทึบอันเป็นป่าดึกดำบันที่ใหญ่ขึ้นเป็นลาดับคำนวณโดยจากแผนที่ที่เขียนไว้ผมกะว่าเราจะใช้เวลาเดินผ่านดงกันดา น, นี้ไปไม่เกินเจวันเป็นอย่างสูง หมายถึงต้องเตรียมมาหาด้น้ำให้พร้อมเส้นทางเดินมุ่งเหนือตลอดแทงทะลุส่วนที่แคบที่สุดของนรกดำแห่งนี้ออกไปออกไปออกแองลักษณะก้นกระทะตอนหนึ่งแล้วเบนขึ้นตะวันออกตายไปตามสันเขาแล้วก็ลงทุ่งราบอันแห้งแล้งกว้างใหญ่ผมจำไม่ได้หมดหรอครับต้องกางแผนที่ระพินคุณคิดว่าน้องชายของผมใช้อะไรเป็นเครื่องนาทาง เชิฐาถามแผ่วเบาดวงตาทั้งคู่รีลงพลานใหญ่นิ่งงาไปคู่หนึ่งเอผมก็เดาไม่ถูกเหมือนกันครับแต่อยากจะเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดชดประชากรหรือคุณชายอนุชาจะต้องมีแผนที่อะไรสักอย่างอยู่บ้างเหมือนกันจะเป็นแผนที่อันไหนได้เขียนขึ้นโดยใครนั้นรู้ไม่ได้เรื่องที่จะมุ่งหน้าไปแบบเดาสุ่มไม่รู้ทิศทางเลยนั้นผมไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ ดำพางเพียงแต่ละแคละขายเรื่องขุมเพชรพระอุมาแล้วก็มุ่งหน้าออกเดินทางดาวสุ่มไปโดยไม่มีอะไรเป็นที่หมายนำทางอยู่เบื้องบ้างเลยนั้นมันเลื่อนรอยปาสจากหลักเกณฑ์เกินไปคุณชายอนุชาคงไม่ทําเช่นนั้นทันทีนั้นชัยยันผู้เดินวนอยู่ ก, ยงงก็หยุดชะงักหันมาโดยเร็วต้องไม่ลืมด้วยนะว่าอนุชาเริ่มต้นการเดินทางของเขาที่ลมช้าง อันเป็นที่หมายเริ่มต้นแห่งเดียวกันกับเรานั่นแหละนี่จะต้องแปลว่าเขาจับที่หมายเขาหัวแรงเป็นจุดแรกอันตรงกับที่หมายเริ่มต้นในแผนที่ซึ่งอยู่ในมือของรพินจริงสินะเชือถาอุทานออกมาจ้องดูพรานใหญ่จะเป็นไปได้ไหมในข้อที่ว่าอนุชามีแผนที่อันเดียวกับของคุณรพินเม้มริมฝีปากเกิดเป็นเส้นตรงไข้ควรหนนะักผมเองก็ภาวนา ขอให้คุณชายนุชาใช้แผนที่อันเดียวหรือแผนที่ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับที่ผมมีอยู่เป็นเครื่องนำทางถึดครับมันจะได้ช่วยให้เราได้ร่องรอยของเขาชัดขึ้นแต่เท่าที่ผมทราบจากเนวินแผนที่อันนี้มีอยู่เพียงสำนาวเดียวเท่านั้นและอยู่ในกำ ม, มือของเขามาตลอดจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งมอบต่อมาให้แกบผมมันจะเป็นแผนที่อันเดียวกันไม่ได้เป็นอันขาด ยกเว้นแต่จะมีแผนที่นำทางมุ่งไปยังเขาพระศิวะซึ่งเขียนขึ้นโดยมือของคนอื่นเราจะคิดว่ามังมหานราธาไปถึงเทือกเขาพระศิวะและทำแผนที่ไว้คนเดียวไม่ได้คุณชายอนุชาอาจได้แผนที่อันอื่นที่ใกล้เคียงกันก็ได้เราต้องไม่ลืมหนานอินคนใช้สนิทคู่ใจของคุณชายอนุชาสีคนหนึ่งหนานอินเป็นพานพื้นเมืองที่ช่ำชองมากแผนที่หรือแนวทางนำทาง อาจขึ้นโดยฝีมือของนานอินโดยตลอดก็ได้นานอินมีปู่ย่าตายายบรรพบุรุษที่เคยระแคะระขายเรื่องนี้มาก่อนเหมือนกันแต่ตอนที่คุณพบเนวินกระเซาอกระเซิงกลับมาและมาตายในมือของคุณนั้นคุณไม่ได้พบเนวินที่หล่มช้างไม่ใช่หรือชายยานซักไม่ใช่หล่มช้างครับแต่เป็นห้วยเสือร้องห่างจากหล่มช้างไปทางตะวันออกเฉียงใต้ระยะทางเดินทางสองวัน แต่เขตป่าของห้วยเสือร้องก็ติดกับดงมรณะนี้เป็นแนวเดียวกันเช่นเดียวกับหล่มช้างผมสันนิษฐานว่าเนวินคงจะรู้ทิศทางและชํานาญในดงที่เรียกว่านารกดําแห่งนี้ดีเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นเดินทางของเขาจึงเริ่มขึ้นที่ห้วยเสือร้องแทนที่จะมาเริ่มต้นที่หล่มช้างตามที่ระบุไว้ในแผนที่แต่เท่าที่คุณเล่ามาแต่ต้นนั้นเชื่อถากล่าวอย่างรอบคอบระมัดระวัง คุณบอกว่าเนวินมุ่งตะวันตกตัดเข้าไปในดงนั้นหายไปประมาณสักหนึ่งอาทิตย์แล้วเขาก็สมสารกลับออกมาในลักษณะของคนที่ป่วยหนักเช่นนั้นไม่ใช่หรือครับอยู่ในราว7หรือ8วันไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้หรอกครับส่วนจะสกักกวันแน่นอนลงไปเลยนั้นผมก็จำไม่ได้เสียแล้วขนาดนั้นผมเองก็ป่วยอยู่ถ้างั้นเรามาลองสันนิษฐานกันดูอีกที ระยะเวลาที่เนวินเข้าดงไปและกลับออกมาอีกครั้งคุณคิดว่าเขาควรจะเดินทางไปได้ไกลสักเท่าไหร่ยังไม่พ้นเขตดงมอรณะนั่นเลยครับคงจะมังุมมังกาหลาเปะป่าอยู่กลางดงนั่นแล้วก็กลับออกมายัางจุดหมายเริ่มต้นที่กล่าวในลักษณะคนป่วยหนักเข้าไปไม่ได้ไกลเลยถ้าจะเปรียบเทียบดูก็ยังไม่ได้ถึงหนึ่งในสิส่วนของระยะทางจากแผนที่ซึ่งระบุไว้ทั้งหมด เพียงแค่ทวารด่านแรกของขุนเขาพัศิวะเขาก็เอาชีวิตไปทิ้งเสียแล้วเนวินออกเดินทางไปกี่คนสคนครับสเบียงอาหารและอาวุธทันสมัยครบมือถ้าจะขาดก็คงขาดพวกเวชภัณฑ์ยกเว้นยากินแก้ไข้เล็กๆน้นอยๆแล้วอีกสามคนที่ร่วมทางไปกับเขาด้วยผมไม่เห็นครับเห็นแต่เนวินกลับออกมาจากดงนั้นเพียงคนเดียวมือเปล่า ไม่มีอะไรเลยแม้แต่ไายเฟินคู่มือที่เคยถืออยู่ลักษณะของเขาสแสดงว่าสมสารกระเซาอกระเิงมาทีเดียวอันเนื่องมาจากไข้หนักและกำลังจะหมดลมหายใจอยู่รอมร่อไม่มีเวลาที่จะซักถามเขาให้ได้ความละเอียดว่าเขาได้ไเชิญกับอะไรมาบ้างและพวกเขาอีกสามคนเป็นตายร้ยดีอยู่ที่ไหนตหลอดเวลาเขาเพ้อถึงแต่เรื่องขุมเพชรพระอุมามาได้สติในระยะเวลาสั้นๆก่นอนหน้าที่จะสิ้นลม เขาก็สั่งความกับผมเพียงสองสาคำพร้อมทั้งหมออแผนที่ให้เพื่อนของเขาสามคนสันนิษฐานว่าคงจะตายหมดก่อนหน้าเขาหมู่บ้านหลมช้างจุดหมายเริ่มต้นของเรานี่ลักษณะเป็นยังไงขอศึกษาคร่าวๆก่อนเถอะตั้งอยู่บนไหล่เขาครับมีหมู่บ้านอยู่ประมาณไม่เกิน20บหลังคาเรือนคนพวกนั้นเป็นกะเหลี่ยงโดงแทบจะไม่มีโอกาสติดต่อกับโลกภายนอก ทำไร่ข้าวโพดกับไร่กล้วยหัวหน้าเป็นชายกลางคนอายุประมาณห้สิปีคุ้นเคยชอบพอกับผมดีเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วคุณชายกับคุณชัยยันอาจได้เห็นเกวียนของคุณชายอนุชาและสัมภาระสิ่งของที่ไม่จําเป็นบางอย่างฝากไว้ในความดูแลของหัวหน้าหรือนายบ้านคนนี้ซึ่งผมเชื่อว่าคงยังอยู่ครบชายยันกํามือแน่นถอนใจเฮือกพึมพําออกมา ทำไมนะทำไมถึงไม่มีใครสักคนยับยั้งอนุชาไว้อย่างน้อยที่สุดพวกกะเลียงที่หมู่บ้านหล่มช้างก็เป็นมนุษย์กลุ่มสุดท้ายที่พ่อเห็นเขาถ้าพวกนั้นบอกให้เขารู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นและพยายามห้ามปรามเขาไว้แก่ก็รู้นิสัยของอนุชาดีอยู่แล้วไม่ใช่หรือเชษฐาพูดแถบตามสีหน้าขหมองคนคนนี้ถ้าลงตั้งใจจะทำอะไรแล้วต่อให้ความตายมานขวางหน้าเห็นอยู่ชั ด, ชด ก็ยังหวังที่จะสกัดกั้นไว้ได้ทําไมอนุชาจะไม่รู้ว่าหนทางเบื้องหน้ามันเป็นหนทางมรณะแต่เขาก็คงเชื่อมั่นว่ามันมีทางจะสําเร็จได้และพร้อมที่จะเสี่ยงไม่มีการสดแสดงความเห็นหรือปริ ป, ปากเช่นไรอีกจากนายจ้างของเขาทั้งสองคนและวพิณถือโอกาสนั้นบอกขอตัวพระออกมาขณะนั้นมันเป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าเล็กน้อยอากาศคืนนี้เย็นเยือกผิดไปกว่าทุกคืนที่แล้วมา น้ำค้างลงจัดจนพื้นดินและใบไม้แห้งที่หล่นอยู่เกลื่อนกาดเปียกชื้นชุ่มฉ่ำไปหมดพรานใหญ่เรียกประชุมคนของเขาและหัวหน้าลูกหาบแจ้งกำหนดให้ทราบแน่นอนว่าจะถอนแคมป์ออกเดินทางพรุ่งนี้ให้ทุกคนตะเตรียมเก็บข้าวของไว้ให้เรียบร้อยพลางรๆเพื่อไม่ให้เสียเวลาสำหรับการเริ่มต้นออกเดินทางในตอนย่ำรุ่งเมื่อสั่งการนัดแนะการเป็นที่เรียบร้อยเขาก็แยกตรงไปยังที่นอนใต้เกวียน อันมีสัมภาระส่วนตัวกองอยู่ที่นั่นหรือผ้าแบงเกตประจำตัวเก่าๆผืนหนึ่งออกมาใช้ถุงข็สารแทนหมอนตามเคยเอนตัวลงนอนเอาผ้าคลุมตัวไว้ตั้งใจจะสูบบุหรี่ให้หมดตัวแล้วก็จะหลับบาดแผลที่เย็บไว้โดยฝีมือของแพทย์สาวคนสวยเริ่มจะปวดระดมขึ้นเป็นลำดับลาดับทั้งทั้งที่พยายามสะกดใจลืมมันเสียมันทวีความปวดเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิของอากาศที่ลดลง ยิ่งหนาวเย็นลงเพียงไรมันก็ยิ่งระบมขึ้นเพียงนั้นระพินเริ่มกระสับกระส่ายและหงุดหงิดผุดลุกผุดนั่งรื้อแป้หลังส่วนตัวออกหายากินระงับปวดเท่าที่มีติดตัวอยู่ไปตามแกนใช้บรันดีกรอกตามแทนน้ำสิบนาทีผ่านพ้นไปเขายัางไม่สามารถจะรับลงได้รู้สึกตนเองได้ดีว่าพิษไข่เริ่มจะแทรกซึมเข้าเล่นงานเสียแล้วทุกครั้งที่ขยับตัวมันปวดร้าวไกหมด ตัวร้อนผ่าแต่รู้สึกหนาวเยือกเข้าไปถึงคู่หัวใจนอนขดตัวกอดอกคางสั่นกระทบกันเบาๆเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าใดไม่ทราบได้เมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งเพื่อจะพึ่งบรลันดีในขวดม่านตาของเขาก็ต้องขยายกว้างขึ้นในทันทีนั้นใครสองคนยืนอยู่ห่างจากที่เขานอนตะแคงขดตัวอยู่ออกไปเพียงสาก้าในระดับทางด้านศีรษะและทิศทางที่เขาหันหน้าไป แสงไฟจากในกองที่ก่อไว้ห่างๆกองหนึ่งสองให้เห็นถนัดคนหนึ่งยืนกอดอกเอียงคอน้อยๆเดินตะ ง, งาดอยู่เบื้องหน้าเกือบจะเรียกได้ว่าค้ำหัวใบหน้าขาวโปรนตัดกับกลุ่มผมสยายเกลียร์ลส่วนอีกคนหนึ่งยืนสํารวมเยืงไปทางเบื้องหลังเล็กน้อยสูงใหญ่กํายำในมือหิ้วกระเป๋าย่ามเล็กๆคุณหญิงเขาทานออกมาพร้อมกับพยายามยันกายขึ้นอย่างยากเย็ง ดาินวราลิศซุดตัวลงมือหนึ่งแตะยันไหลและพินไว้บังคับให้หยุดอยู่ในลักษณะครึ่งนอนครึ่งนั่งนั้นหลังมือของเธออีกข้างหนึ่งแตะอังที่หน้าผากและซอกคอของเขาแล้วหัวเราะหึๆหึโถเอ้ยนึกว่าจะเป็นเหล็กไหลที่ไหนมาที่แท้ก็มนุษย์ปุถุชนธรรมดานี่เองเป็นยังไงในพรานใหญ่ใจฉกาดผมหรือก็ปกติเรียบร้อยดีนีครับว่าแต่คุณหญิงมีธุระอะไรหรือครับ เปล่าหรอกแล้วรอนก็ลุกขึ้นยืนหันไปพยักหน้ากับแง่ทา ย, ายไปเรากลับกันเถอะเธอไม่น่าจะไปโกหกฉันเลยว่าพรานใหญ่ของเรากำลังจับไข้หลอกฉันเดินออกมาได้เธอรู้ไหมว่าเธอดูหมิ่นเขามากนะในการที่ไปบอกฉันว่าเขาไม่สบายจอมพรานผู้ยิ่งใหญ่อย่างเขานะ่ะด้วยจะเป็นอะไรเธอทำให้ฉันต้องพลอยสีวเวลานอนด้วยดาลินขยับตัวจะหันกลับแล้วพินร้องออกมาเดียว แล้วเขาก็หันไปมองแง่ทายอย่างงงๆพยายามส่งตัวนั่งตรงแง่ทายฉันไม่เข้าใจอะไรเลยแกไปบอกอะไรนายหญิงหรือผมเดินตรวจบริเวณมาเห็นผู้กองนอนตัวสั่นอยู่ครับผมเรียกหลายครั้งผู้กองไม่รู้สึกจับตัวโดยเห็นร้อนมากผมก็เลยไปปลุกนายหญิงนี่แกเดินเข้ามาจนถึงตัวฉันจับตัวฉันแล้วหรือนี่ครับแต่ผู้กองไม่รู้สึกเลย ผมจะปลูกแรงๆก็ไม่กล้าเพราะเห็นผู้กองกำลังจับไข้เธอตื่นไม่เข้าเรื่องแง่ทรายความจริงเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยไปกับเถอะกำลังนอนสบายทีเดียวไปปลูกได้หล่อนเสริมมาอย่างหน้าตายเหนี่ยวแขนแง่ทรายก้าวออกเดินผมยอมแพ้ครับคุณหญิงเสียงห้าวๆดังมาจากพานใหญ่หล่อนชะงักอีกครั้งเลิกคิ้วเอียงคอหันมาดูแล้วผิดหัวราบแหบกล่าวต่อมา แต่ผมขอตำหนิคุณหญิงสักหน่อยเถิดว่าคุณหญิงเป็นสัญญาแพทย์ผู้ชำนาญสิเปล่าเย็บแผลผมยังไงก็ไม่ทราบปล่อยให้อักเสบทำพิษเอาไว้ไมีหน้ำซ้ำไข่ยังขึ้นดาดินหันควบมมาเต็มตัวยกมือเท้าเอวลืมตาโตร้องออกมาแนอดูสิบูพูดเข้าคนบ้าอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้นี่พานเป็นเหมือนกันหรือนี่ใครใช้คุณบุกป่าบุกดงออกแรงหนักเมื่อเช้านี้ฮะ แล้วใครใช้ใคุณยิงเปลนจุดสีห้าแเล่นเห็นเป็นของสนุกเมื่อหกข้มนี้ฉันบอกคุณแล้วไม่ใช่หรือว่าคืนนี้แหละเป็นได้รู้ริดแล้วมันผิดคําพูดไปไหมอวดเก่งแล้วก็เก่งไปให้ตลอดสิยอมแพ้ทําไมหมออย่า ม, มัวมาทะเลาะอยู่กับคนไข้เลยครับจะช่วยคนไข้อ ย, ย่างไงได้บ้างก็ช่วยดีกว่าถ้าคนไข้เกิดตายลงคุณหมอเองก็จะลําบากหรือคิดว่าจะสามารถเดินทางต่อไปได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพานคนนี้ก็ตามใจ หล่อนจุปากเบาๆโครงศีรษะมองดูพรานใหญ่อย่างสมน้ำหน้าแกมสมเพลแล้วไยักหน้ากับแง่ช า, ายอีกครั้งสุดตัวลงตามเดิมออกคําสั่งให้เขานอนราบลงน่าแปลกมากนะไม่เคยมีประวัติที่ไหนมาก่อนแทนที่หมอจะขู่คนไข้คนไข้กับขู่หมอก็หมอข่มขู่คนไข้มานานแล้วนี่ควรจะให้คนไข้ขู่หมอสิมั่งสิ สงสัยแผลที่เย็บไว้จะปิดนะแล้วก็คงจะติดเชื้อบาทยักแล้วตายเสียได้ก็ดีเหมือนกันสัญญาจ้างจะได้สุดสิ้นลงแต่เพียงเท่า น, นี้เชื่อทีได้เงินสองแสนฟรีๆไม่ต้องมาทนลำบากบุกป่าฝ่าดงอยู่อีกไม่ต้องกลัวยังไม่ให้หนีตายซะก่อนหรอกถึงยังไงก็ต้องบงังคับให้อยู่เพื่อเป็นลูกจ้างตามสัญญาต่อไปแต่ก็ต้องตามธรรมเนียมของหมอกับคนไข้หน่อยนะ คือถ้าหมอเกิดความเหมือนไส้ขึ้นมาคนไข้ก็ต้องเจ็บหรือทรมานมากหน่อยรู้ๆอยู่แล้วไม่ใช่รู้ว่าหมอคนนี้บางทีก็มือเบาบางทีก็มือหนักมันแล้วแต่เป็นลมๆไปเอาละถอดเสื้อออกดูแผลหน่อยซิไม่ต้องดูไม่ได้เหรอฉีดยาระงับประสาดด้วยผมสักเข็มยา ก, กินแก้อักเสบสักเม็ดสองเม็ดมันก็ไอแค่นั้นเองถ้าคิดว่าจะรักษาตัวเองได้ก็ดีเหมือนกัน ฉันจะทิ้งร่วมยานี้ไว้ให้จัดการช่วยเหลือตัวเองก็แล้วกันนะเลือกใช้ยาเองนนีน้มียาทุกชนิดแล้วผ่อถอนหายใจเฮือกลู่ซิบเสื้อจะกเก็ตหนังออกโดยเร็วแล้วปลดดุมเสื้อราสตว์ชั้นไหนที่ใช้ปกติในเวลากลางวันออกแบะ อ, อกเอี่ยวสีข้างอันมีบาดแผลที่เย็บไว้ให้ดาเรียนคงหัวร้อหือในลาคออยู่เช่นนั้นใช้ฝฉายตรวจส่องดูบาดแผลเสียงพรานใหญ่บนเบ า, เบา หนาวจะตายอย่างให้ถอดเสื้ออีกไม่ต้องบนรอนตะวัดเบาๆปั้นหน้าเคร่งหรึมแล้วแกล้งถอนใจเฮือกหันไปทางแง่ทรายผู้คุกเข่าสงบนิ่งอยู่ใกล้ๆแง่ทรายถ้าไม่มีพรานใหญ่คนนี้เสียแล้วเธอพอจะรับหน้าที่นำทางไปยังเทือกเขาพัชสิวะได้ไหมระพินภัยวันกลืนน้ำลายลงคออย่างยากเย็นหนุ่มกระเรียงผนจรยิมฟันขาวสั่นหัว ผมเห็นจะไม่มีทางนํานายหญิงกับคณะไปถึงเทือกเขาพระศิวะได้หรอกครับเพราะผมไม่รู้ทางตายเลยดาลินอุทานทําหน้าเศร้าแล้วเราจะทํำยังไงกันดีละ่ะเขาเห็นจะไม่รอดเสียแล้วละ่ะแผลอักเสบเป็นพิษในขั้นอันตรายได้าแรงทีเดียวที่เย็บเอาไว้แตกปิเป็นหนองขึ้นขอบเขียวเลยเอา้าช่วยกันไปตามมีตาเกิดก็แล้วกันนะแต่เพื่อความไม่ประมาทบอกให้พวกเราเตรียมขุดถล่มไว้ล่วงหน้าได้แล้ว สงสัยว่าคงไม่ชะไม่ข้ามคืนนี้หรอกพร้อมกับพูดหล่อนจัด ก, การฉีดย้ายเขาหนุงเข็มแล้วพิณกระ พ, พริบตาปลิบๆมองดูหน้าแพร่สาวคนสวยคู่ปรับสำคัญแง่ า, ายคงยิ้มเห็นฟันขาวอยู่เช่นนั้นลุกขึ้นเดินไปแยกกองไฟนำมาก่อขึ้นใกล้ๆกับใต้เกวียนที่ระพินยึดเป็นที่นอนสองกองเพื่อเพิ่มความให้อบอุ่นในระหว่างที่หนุ่มกเรเลียงพเนจรสารวนอยู่กับการสุมไฟ หญิงสาวส่งยาเม็ดชุดหนึ่งให้เขาจอมพรานรับมาดาะในฝ่ามือแล้วโยนเขา้าปากหันไปคว้าขวดบรั่นดีแต่ร่อนเหนิยวแขนไว้ปลดกติกน้ำที่แขวนไว้ข้างล้อเกวียนส่งให้เขาแทนแล้วปิ่นยกไหล่นิดหนึ่งเทน้ำจากกติกกรอกตามหลังยาเข้าไปโดยดีจะเป็นการดีทีเดียวถ้าผมหลับลงในคืนนี้แล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีกฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน ถ้าไม่ห่วงถึงข้อผูกพันตามพันธสัญญาจ้างที่เราเป็นฝ่ายหลวมตัวเซ็นสัญญากับคุณไปแล้วจะอย่างไรก็ตามคุณควรจะขอบใจงแง่ทายให้มากหน่อยเขามีความรู้สึกที่ดีต่อคุณเสียยิ่งกว่าที่คุณมีต่อเขาเสียอีกถ้าไม่ใช่เพราะงแง่ทายแล้วก็ฉันคงไม่เดินออกมาที่นี่พรานใหญ่ยิ้มขึ้นขึ้น ม, ม, มองไปทางหนุ่มกะเหลี่ยงพเนจรผู้กําลังขนฟืนมาก่อให้เขาแล้วยักไหล่อีกครั้งแง่ทายมีความจําเป็นในด้านส่วนตัว ไม่น้อยไปกว่าคณะของคุณหญิงเหมือนกันในการที่จะต้องช่วยดูแลเอาใจใส่ผมไว้ไม่ให้ผมเป็นอะไรไปเสียก่อนจนกว่าผมจะนำทางไปถึงเทือกเขาพระศิวะสาเร็จหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าถ้าไม่มีผมเสียคนเดียวแง่ซายก็ไปไม่ถึงเทือกเขาพระศิวะที่เขาต้องการจะไปถึงด้วยวัตถุประสงค์เร้นรับอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็คงไม่อยากให้ผมตายเสียก่อน ซึ่งจุดมุ่งหมายอันนี้ก็เป็นจุดมุ่งหมายเดียวกับคุณหญิงนั่นแหละหล่อนเลอคิวอืมก็อาจเป็นได้นะเพราะฉันเชื่อว่าแง่ายก็คงมีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับฉันนั่นแหละคือหมั่นไส้คุณเต็มประดาแต่ก็จำเป็นที่จะต้องพึ่งคุณพรานใหญ่หัวร้อจุดบุหรีสูบอัดควันลึกแง่ายเข้าไปปลุกคณหญิงหรือก็ไม่ได้ปลุกหรอกฉันไม่ได้นอนหลับ เห็นแง่สายเข้าไปยืนรับรับรอรออยู่ปลายเตียงเตียงสนามของฉันฉันนอนสังเกตเขาอยู่นานรู้สึกว่าเขามีเรื่องอะไรที่ต้องการจะพูดกับฉันแต่ไม่กล้าเข้ามาปลุกจึงถามออกไปแง่ทสายก็บอกเรื่องที่มาพบคุณนอนสั่นเป็นเจ้าเข้าอยู่คุณหญิงไม่ได้นอนหลับเลยหรือว่าหลับไปแล้วเพิ่งจะตื่นขึ้นมาไม่ได้หลับเลยตั้งแต่เข้านอนเมื่อตอนหัวค่ําใช่ผมนึกว่าคุณหญิงหลับไปเสียแล้วอีก เห็นเขานอนหัวข้ามผิดไปจากทุกคืนนี่ก็แปลว่าตลอดเวลาได้ยินคุณชายเชษดถาคุณชายยานและผมคุยกันอยู่ตลอดเวลานี่สิก็ได้ยินถนัดรู้เรื่องเข้าใจดีเหมือนนั่งร่วมวงอยู่ด้วยนั่นแหละเว้นไว้แต่ฉันนอนฟังอยู่บนเตียงในมุ้งทำไมไม่ออกมาปรึกษาหาเลยกับพวกเราด้วยหล่อนหัวเลาะขี้เกียจนั่งร่วมวงอยู่ด้วยลาคาหน้าเขมรใครอยู่คนหนึ่งเลยหลบเข้าไปนอนเสียงั้นเอง ตั้งใจจะนอนให้หลับแต่บังเอิญมันไม่หลับรำคาญหน้าผมรู้อยู่แล้วยังมีหน้ามาถามอีกความจริงผมก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะพยายามทำตัวให้ดีที่สุดไม่ให้คุณหญิงเกิดขมิขึ้นอีก